นะหมายว่าปล่อยให้อกุศลวิตตกเนี่ยมันเกิดขึ้นยอมรับะนะโดยที่ไม่พิจารณาโทษว่าเออมันเป็นของเลวนะเลวมากนะครับถามว่าทำไมจึงเลวอะ่ะเพราะมันไม่ดีเลยนะครับเมื่อเทียบกับกุศลเนี่ยนะไม่ดีเลยนะเลวมากถ้าเทียบกับกุศลถ้าเป็นมหากุศลถ้าเทียบทานนะักกุศล อ, อวิตตกอันนี้เลวมาก ถ้าเทียบสีละกุศลวิตกันนี้ก็เลวหนักกว่านั้นอีกถ้าเทียบกับสมถะกุศลอกุศลวิตกนี้ก็เลวมากถ้าเทียบ ก, กับวิปัสนาถ้าเทียบมัคกุศลถ้าเทียบว่าโสดาสกาทาคานาคารหันเป็นต้นนี่ยนะครับอากุศลวิตกอย่างที่ว่าเนี่ยเลวมากนะครับต่ํำทรามมากแล้วก็เป็นอากุศลด้วยเ พ, เพราะอะไรครับเพราะอกุศลนั้นเป็นความไม่ฉลาดเลยนะครับอากุศลเนี่เกิดจากความไม่ฉลาดแล้วก็อวิตกล่าอกุศลวิตกเหล่านี้ก็มีโทษ ถามว่ามีโทษยังไงนะครับเพราะว่า อ, อากุศลวิตกเรานี่นะครับเป็นไปให้เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนในวันนี้เดือดร้อนในภายหน้านะครับโทษอย่างสําคัญที่สุดทำให้ไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้นั่นเองนะครับ<ม>ก็วิตกนั้นแหละย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างนะครับเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความคับแคนใจบ้าง นะเป็นไปเพื่อความไม่เจริญงอกงามในธรรมบ้างนะถ้าหากว่าเราจะมาสอบสวนในลักษณะนี้นะเพื่อเคารพ บ, บินทบาตเนี่ยนะเออเนี่ยนะเราบวชเข้ามาแล้วนี่มาอากุศลมิตกแบบนี้เนี่ยนะโยมเขาทําบุญเขาจะได้บุญเยอะไหมเนี่ยนะ เ, นยนะเขาจะได้บุญเยอะไหมแต่เขาถวายจีวรมาให้หฮมเนี่ยนะเออจะมีผลมากไหมอาหารที่ชันไปเมื่อกี้เนี่ยจะมีผลมากไหม นะครับที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคจะมีผลมากไม้เอาแล้วคนมากระดาบประลกประลกเนี่ยนะเอ๊ะเขาจะได้บุญเยอะหรือเปล่าเนี่ยนะครับคิดดูนะเอ๊ะเทวดาเขาคิดยังไงกับเราเนี่ย อนั้นเอนางวิสาขานะเป็นเทวดาชั้นนิมานรดีนางคิดยังไงนะถ้าหากว่ารู้ว่าภิกษุรูปหนึ่งมานเดินนัน่งเดินยอน้อนอกุศลวิตตกแบบนี้เนี่ยนะเอ๊เทวดาใกล้ๆอยู่แถวนี้เนี่ยนะภู ม, มินัง่งเทวานังเทวดาทั้งหลายที่ประเภทภู ม, มิเทวดาเขาคิดยังไงนะนี่นะถ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นพระเรียเจ้าเนี่ยนะพระเรียเจ้าที่เป็นภูมิเทวดาที่เป็นเทวดาชั้นจารุมเนี่ยนะ เขาจะคิดยังไงกับเรานะ น, นาถบินธิกะเศรษฐีนี่คิดยังไงกับเรานะ้าพระอริยะเท้าสากัเนี่ยนะส่งบริวารมาเยี่ยมเยี่ยนในพระภิกษุกลุ่มนั้นนี่คิดอะไรอยู่เนอะอย่างเงี้ยนะครับจะว่าไงนะหรือว่า พรมทั้งหลายเขาจะคิดยังไงโอ้โหนี่นะเชื้อสายพระสกยาบุตรเหล่านี้เนี่ยนะรุนหัวแถวท่านไม่ได้ดเป็นอย่างนี้เลยรุ่นปลายปลายแถวนี่จิตเป็นปลกับบาปเป็นปกับอกุศลอุ้ยห่างไกลเลยนะกายก็ห่างไกลาจากภาษาสดาใจก็ยังห่างไปอีกเหมือนเหมือนกันหน่อยก็สีจีวนี่แหละ ว, ว่างั้นนะภูมิประเทศทั้งหลายแหล่ก็ห่างไกลเป็นพันพันกิโลว่างั้น พี่จารณาแบบนี้เนี่ยนะโอ้มีโทษจริงๆนะครับอับอายคล้หน้าเขาหมดนะนะครับเปรียบเทียบไปแล้วนะเทียบกับใครก็ยิ่งอายเขาไปอีกนะครับซะนะถ้านั่งเทียบโอ้โหถ้านั่งคิดแบบนี้เนี่ยห่างพระพุทธเจ้าขนาดไหนนะาะอรหังนี่มีอยู่ใกล้หูจิตใกล้ใจบ้างหรือเปล่าถ้านั่งคิดอย่างนี้นะสัมมาสัมพุทโทววิชาจารณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูนี่โอ๊ยห่างหมดเลยนะครับ หรือสวากขาโตเนี่ยนะสวากขาโตสันทิทโกอากาิโกเอหิปัสสิโกก็ไม่มีเลยนะครับสุปฏิปันโนอูชูปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนก็ไม่มีเลยเออถ้าตายตอนนี้สมควรจะเกิดที่ไหนดีนะครับ นะตายที่นี้แล้วสมควรจะเกิดที่ไหนดีเออนี่ยนะอกุศลไมตกเนี่ยอาบายทุกติวินิบาดนารกนะเออบวชมาขนาดนี้มันต้องตกนรกอย่างนี้ด้วยเลยพอมาปล่อยให้ความคิดชั่ววูบชั่ววาปเนี่ยนะพาไปสู่อาบายโอ้ยอย่าปล่อยให้มันเกิดนักเลยอะไรกันนะะมันก็ต้องหมั่นพิจารณานะครับจนเตือนตนด้วยตนและจะต้องให้ใครมาเตือนนะครับต้องอนะพระพุทธเจ้าสอนว่าฝึกตนด้วยตนเนี่นะเตือนตนด้วยตนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามีการพิจารณาแบบนี้ก็ไม่ให้มันพักอยู่นานนะครับเหมือนกับว่าเห็นมาเออนี่โจรกําลังเข้าบ้านนะเนี่ยเพชฌฆาตกําลังเข้าบ้านนะเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับต้องไม่ปล่อยให้ความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับพญา ม, มัจจุราชกําลังเข้าบ้านโจรกําลังจะเข้าบ้านมาปล้นนะครับปล้นเอาคุณงามความดีปล้นเอาบุญปล้นเอากุศลปล้นเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเราไปหมดเลยนะครับเอางี้นะถ้าคณะกุศลวิ เกิดนั่นนะ่ะสวรรค์สมบัติเนี่ยถูกปล้นไปใช่ไหมครับะนะมนุษย์สมบัตินี่ก็ถูกปล้นสวรรค์สมบัตินะสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมก็ถูกปล้นไปแล้วสมบัติในชั้นดาวดึงเป็นต้นก็ถูกปล้นไปแล้วพรหมสมบัติเนี่ยนะครับก็ถูกปล้นไปอีกเนี่ยนะครับนิพพานสมบัติก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่าไม่ใช่สมถะวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถูกปล้นไปหมดเนี่ยมันเบียดเบียนตนจริงๆนะครับ บริโภคปัจจัยสี่ของผู้อื่นก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นอีกทาให้เขาได้รับผลน้อยได้รับอันนี้สงน้อยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายโอ้ยนะครับไม่น่าพระองค์ยังตรัสว่าท่อนฟืนเผาผีมันเป็นอย่างนี้เองนะครับ น, นะท่อนฟืนเผาผีตรงกลางเปื้อนอุจระนะครับเสียหายมากนะครับและเมื่อให้มันพักอยู่อย่างนั้นแหละ ก็ยังละมันไม่ได้คือยังสลัดออกไปไม่ได้ด้วยอำนาจตทางฆ่าปรหารเพราะไม่มีการพิจารณาเลยนะเพราะสลัดออกไม่ได้นั่นแหละก็จะบรรเทาไม่ได้คือกําจัดออกไปได้แก่นําออกไปจากจิตตสันดานไม่ได้เพราะบรรเทาไม่ได้อย่างนั้นก็ทําให้ศูนย์สิ้นไปไม่ได้คือทํากามวิตกเป็นต้นนั้นให้ปราศจากที่สุดไปไม่ได้อธิบายว่าเป็นผู้มีความเพียรส่งใจไปแล้วไม่อะไรในชีวิต แม้จะทําโดยวิธีที่สิ้นสุดแห่งวิตกเหล่านั้นจะไปหรืออยู่โดยที่สุดแม้เพียงความแตกหายไปแต่พิสูจนนี้หาทําเหมือนอย่างนั้นไม่นะครับไม่ไม่ไม่ได้ขี้จะทําลายมันเลยนะปล่อยให้มันท่วมทับอยู่ในหัวใจวิธีวิธีหนึ่งน่าคิดนะครับว่าเอ๊่นี่นะถ้าปล่อยให้อกุศลวิตกแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะจะทําอาบัตล่วงทุพภาสิตธิได้ไหม น่าคิดนะครับเออนี่ถ้าปล่อยให้ความคิดอันนี้เกิดหนักหนักขึ้นนะทุกกฎเป็นได้ไหมปฏิเทศนิยะเป็นได้ไหมปาจิตตีเป็นได้ไหมนิสกีเป็นได้ไหมนะครับทุลใจเป็นได้ไหมสังขารทิเศสนี่ความคิดแบบนี้เนี่ยนะครับสังขารทิเศตข้อหนึ่งได้ไหมข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าถึงข้อสิบสามเนี่ยนะครับปาราชิกข้อหนึ่งล่วงได้ไหมถ้าปล่อยให้ความคิดอันนี้เกิดขึ้นปาราชิกข้อสองข้อสามข้อสนี่นะครับก็เอามาสอบสวนดูนะครับ พอมาถามดูโอ้ยมันมันสร้างความเสียหายให้มหาศาลเหมือนกันนะครับผู้ศึกษาควรทราบเนื้อความโดยการประกอบเจสับเข้าด้วยในคําเมียที่ว่าวิตกที่เกิดขึ้นอย่างนั้นนั่นเองจะไม่ถึงความไม่มีหาม่ได้คือจะไม่ถึงความไม่มีในภายหลังหากว่ายังละไม่ได้ใช่นะครับ บทว่าจรังได้แก่จรันโตแปลว่าเดินไปอยู่บทว่าเอวังภูโตได้แก่เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยวิตกที่เลวห่วยมากนะครับมีการมวิตกเป็นต้นนะครับโอ้โหนี่ถ้าหากว่าวิตกที่เลวอย่างนี้เกิดในจิตจิตอันนั้นก็ต้องเป็นจิตเลวๆใช่ไหมครับถ้าเกิดในคารวัตก็คารวัตเลวๆนะครับถ้าเกิดในปัสมะเนนก็สัมะเนนเลวนะครับถ้าเกิดกับพระภิกษุก็ภิกษุเลวๆถ้าบวชใหม่ก็เป็นนวักะเลวๆนะครับถ้าบวช ตอนกลางก็มัชชิมะเร็วๆนะครับถ้าบวชนานๆหนูก็เถระเร็วๆนะครับเพราะอากุศลไม่ตกนี้มันเร็วมากนะครับนะเพราะว่าปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปกับบาปอากุศลเนี่ยนะบทว่าอนาตาปีอนโนตตปีผู้ชื่อว่าไม่มีความเพียร น, นะครับคนคนเกียรตร้างจริงๆนะนะเพราะไม่มีความเพียรที่จะเป็นเหตุเผาไอก้กิเลสอันนั้นออกไปเลยนะครับขี้เกียจจริงๆนะครับปล่อยให้จำนวนนะทัก ตาทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าขี้ตานี่มันออกมาเปื้อนตาก็เรียกคนขี้เกียจแล้วนะครับไม่ล้างหน้าล้างตาฟันก็ไม่แปลงหน้าก็ไม่ล้างนี่นะครับปล่อยให้เหงื่อคลเป็นต้นเนี่ยนะไหลโสมทั่วตัวไปหมดเสื้อผ้าก็สกรปรกเหม็นเน่า อ, อย่างนี้เรียกคนขี้เกียจใช่ไหมครับนะถ้าใครทําตัวแบบนั้นโดยทั่วไปแล้วสังคมเขาตําหนิทีนี้ถ้าหากว่าสังคมผู้ที่เจริญศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาก็เหมือนกันใครที่ปล่อยให้อากุศลวิตกเนี่ยนะครับ เกิดบ่อยๆ อ, อย่างนี้พะองคงก็ตำหนินะครับมลแรงวันคืออกุศลวิตตกก็บินว้วนนะครับนะมแรงหวีมลแรงวันทั้งหลายก็บินอยู่ตามหน้าตามตามตามหูตามจมูกตามปากนะครับนี่เราคนเกียรคร้านนะครับไม่ไม่ชำระสาสางภายในจิตใจเลยนะครับเป็นคนสกปรกโสมมในภายในนะครับ เชื่อว่าไม่มีความเกรงกลัวขาดโอต ป, ปะเพราะไม่มีความเกรงกลัวที่มีลักษณะสะดุ้งกลัวต่อบาปร้อนรอนและรุ่มร้อ น, รอนพระบาปนะครับบาป uh, อันนี้เนี่ยมีผลอย่างไรใครกลัวไหมกลัวไหมว่าพระพุทธเจ้าจะตําหนิกลัวไหมว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะคิดยังไงกับเราพระอรหันต์ทั้งหลายท่านคิดยังไงกับเราพระริยเจ้าทั้งหลายท่านคิดยังไงกับเราเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวเหล่านั้นไหมนะครับหรือว่าเออเนี่ยนะผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายเขาคิดยังไงกับเรา ไม่รู้สึกเกรงกลัวถ้าไม่เกรงกลัวอย่างนั้นหรือเกรงกลัวอย่างอื่นอีกไหมว่าอันนี้เนี่ยมันให้ผลเป็นทุกข์นะนะครับมันมีโทษนะไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวนะวิบากเหล่านี้ใครจะเป็นผู้ได้รับวิบากเหล่านี้ให้ผลชาตินี้ได้ไหมให้ผลชาติหน้าไหมสังสารวัฏนี้ก็ชื่อว่าสะสมอุปนิสัยแบบนี้เอาไว้ให้แก่ตัวเองแล้วนะอัธยาสายอันนี้สะสมไว้เองนะถ้าวันนี้เราปล่อยอกุศลวิตกแบบนี้ ต่อไปก็อกุศลวิตกอันนี้จะต้องมีกําลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับแผลเปื่อยเน่าเนี่ยนะครับถ้าไม่รักษานะมันจะเน่าไปเรื่อยเนา่าเน่าเน่าเน่าเน่าอาจจะเน่าไปท่วมตัวก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอโนต ป, ปะก็อโนต ป, ปะกาบฮิริกะนี่เป็นของคู่กันแสดงว่าไม่อายชั่วไม่กลัวบาปนัะนี่นี่ทํามไม่อายชั่วไม่กลัวบาปขาดฮิริโอตปะอย่างนี้เป็นเหตุใกล้ให้ทุสีนะเนี่ยนะ เพราะว่าฮิริโอต ป, ปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีล น, นี่แสดงว่าอหิริกะอนโนตะ ป, ปะมันเกิดขึ้นในจิตแบบนี้แสดงว่าศีลไม่ดีแล้วนะกุศลศีลกุศลปาติโมกก็ไม่เกิดกุศลที่เป็นไปกับอินทรีสังวรก็ไม่เกิดกุศลที่เป็นไปกับการปัจเเวปปัจจัยสีก็ไม่มี กุศลที่เป็นไปปล า, ปารบสัมมาอาชีพก่อไม่มีนะครับกุศลที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นก็ไม่มีเพราะว่าสุจริตมันมีไม่ได้เนื่องจากอะโนตปาีิเกิดขึ้นนะครับนะครับหรือก็ถามว่าเออบวชมาสแสวงหาความคิดประเภทนี้หรือนะถามง่ายๆนะเออสาบบวชมาขนาดนี้เนี่ยนะ มีแต่ความคิดชนิดนี้เนี่ยนะโอ้โหสวรรค์นิพพานมันน่าจะห่างไกลเนาะว่างั้นเหรอนะนี่จะทําบุญกวดน้ําไปให้โยมพ่อโยมแม่ได้ยังไงนะครับทำบุญกวดน้ําให้เปดได้แล้วเนี่ยนะครับนี่ถ้าญาติของเราเนี่ยนะเขากําลังใกล้จะจุติเขาคิดถึงเราตอนที่จิตเป็นอกุศลอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปสุคติโลกสวรรค์บ้างหรือเปล่าน้อเนี่ยนะก็ เ, เอามาคิดแบบนี้นะครับ บทว่าสัตตังสมิตังความว่าตลอดการทุกเมื่อเป็นเนตรบทว่ากุสีโตหินวิริโยนะครับมหากุสีโตนะครับพวกขี้เกียจใหญ่นะครับขี้เกียจไม่ธรรมดานะกุสีโตหินวิริโยนี่นะครับภิกษุนั้นเราสถาคตเรียกคือกล่าวว่าชื่อว่าเป็นคนเกียจคร้านเพราะเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเสื่อมจากศีลสมาธิปัญญาหมดแล้วว่างั้นนะจุ่มจมอยู่ใน ธรรมะฝ่ายอากุศล น, นะครับอยู่ในฝ่ายธรรมะที่มีโทษนะโอ้ยไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระตถาคตแล้วเป็นลูกศิษย์พยมันเหมือนั้นและเชื่อว่าเป็นผู้เสื่อมจากความเพียรแล้วคือเว้นจากความเพียรแล้วเพราะไม่มีความเพียรคือสัมมัปปธานบทว่าติตัสะความว่าผู้ยืนอยู่เพราะการงดเดินเพื่อจะแสดงวิธีที่วิตตกทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่แก่ผู้พร้อมมูลด้วยความเกียรตครานนั้น จึงได้ตรัสว่าผู้ตื่นอยู่เพราะทรงเพิ่มอิริยาบถนอนเข้าในความเกียรตคร้านเป็นพิเศษนะครับกขาบอกว่าหุ่นนอนเนี่ยนะครับเขชื่อว่าขี้เกียจหนักแล้วนะถ้าเทียบในบรรดาอิริยาบถ ท, ทั้งหลายเนี่ยอิริยาบถนอนเนี่ยนะครับชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไม่ค่อยยอมรับกันอยู่แล้วนะครับนี่นอนและอคศสวิยตกเกิดอีกนะครับหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับวาไปว่ามาก็าเฉียดเฉียดตัวนี่แหละ เพิ่งทราบวินิจใช้ในธรรมะฝ่ายเขาต่อไปบทว่าตันเจพิขุณาทิวาเซติความว่าถ้าหากกามวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้แม้ปรารบความเพียรแล้วพักอยู่เพราะประกอบเพราะมูลด้วยปัจจัยเช่นนั้นที่อบรมมาตลอดกาลนานในสงสารที่ไม่รู้เบื้องต้นหรือเพราะสติฟั่นเฟือนไซคือถ้าหากภิกษุ ยกจิตของตอนนั้นขึ้นแล้วแต่ไม่ให้การมาวิตกเป็นต้นนั้นยับยั้งอยู่ไซนั่นเองไม่ให้มันยับยั้งอยู่ในภายในไซนะครับไม่ปล่อยให้มันเกิดต่อเลยนะครับมาแล้วามาแล้วเลยนี่นะครับบอกว่าเหมือนโคโกงอะนะมาแล้วเลยนะครับทุบมันสักหวัวนมเข้าไปนะครับ เอางี้นะเทศสอนตัวเองสัก2อามชั่วโมงดูนะครับถ้าเทศสอนได้เมื่อไหร่ก็ถือว่าเก่งไปแล้วนะครับอน น, นข่มมันใหญ่เลยนะครับประดมความรู้ในพระไตรปิฎกมาเทศสอนให้หมดเลยนะครับงัดเลยทีคณิกายมัจจมนิกายสังคตานิกา ย, กายอังคุตระนิกายคุตกานิกายนี่นะครับอิติวุตการงัดเลยตั้งแต่สูตรที่1จนสูตรสุดท้ายนี่นะงัดมาเทศสอนไปเลยนะครับว่าอากุศลเนีย่ยแกเสียหายยังไงบั่งนะครับ หรือว่ายกปฏิสัมพิธามักยกคัมภีมหานิเทศยกอภิธรรมปีดกขึ้นมาเทศสอนนะเออนี่แกเนี่ยอกุศสนวิตตกอย่างนี้มันสร้างความเสียหายให้แกยังไงบ้างเนี่ย น, นะครับลักษณะเนี่นะถ้าทําได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รับแล้วไม่เชื่อเชิญมาไปเถอะว่างั้นนะเหรอเน่ยเมื่อไม่ให้มันยับยั้งอยู่จะทําอย่างไรก็บอกว่าละไปทิ้งไปเอองั้นก็ไปทิ้งเหมือนเทขยะอยากเยอะด้วยแต่กล้าฉะนั้นหรือโอ้ไม่ใช่นะ เอาไปเทเหมือนขยะเลยหรือเปล่าบอกไม่ใช่หรอกเหมือนกันอา้าวถ้าอย่างงั้นบันเทากําจัดก็นําออกไปอา้าวงั้นนําออกไปเหมือนไล่โคไปหรือเปล่าเหมือนไล่งูด้วยประตักหรือเปล่าเหมือนหาไม่ได้โอไม่ใช่สักอย่างนั้นนะว่าจะเอาไปเทเหมือนขยะก็ไม่ใช่นะครับไปทั่งมันเหมือนประตักก็ไม่ใช่ โดยที่แท้แล้วทำให้สิ้นศู์ไปคือทำให้ปราศจากที่สุดในแก่ทากิเลสเหล่านั้นโดยวิธีแม้แต่ที่สุดของวิตตกเหล่านั้นก็ไม่เหลืออยู่โดยที่สุดแม้แต่เพียงความแตกหักไปนะครับไม่ให้มันเกิดเลยนะก็เธอจะทำวิตตกเหล่านั้นให้เป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไรได ora, ้นะถึงให้ถึงความไม่มีเนี่ยนะคือ ให้ถึงความไม่มีในภายหลังแปลว่าตัดไฟแต่ต้นลมซะไม่ปล่อยให้มันกำเริบเสบสางอธิบายว่าไม่กระทำโดยที่กามวิตกเป็นต้นนั้นถูกข่มไว้แล้วด้วยสา ม, มารถแห่งวิคัมพนาปาระหันนะครับถ้าหากว่ามันเกินการมวิตกก็กายกตาสติเกสาโลมานะขาทันทาตาตะโจมังสังนาหารุกษาทยายให้มันเต็มที่เข้าไป นะครับอาการสามสิบสองกรดมเข้ามาเจตุธาตัววัดฐานตาช้าเก้ากรดมเข้ามาหลายๆลาตาช้าหน่อยนะครับเชื้อเชิญผีปู่ผียา่าผีตาผียายทั้งหลายแลยที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับพวกกระดูกผุพังอยู่ที่ตาชา้าไหนก็เอามาระดมพิจารณาให้หมดนะครับตรงโน้นกับคนตายตรงนี้กับคนตายเนี่ยนะครับวิ่งขพระประหารด้วยสมถะเนี่ยระดมมาทุกทุกตาช้าที่เคยไปอยู่นะโอ้ยนะครับนะท่าพยาบาทวิตตกเกิดขึ้นกระดมเมตตามาให้หมดนะครับ จเจริญเมตตาให้เข้าไปเนี่ยนะเขาก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเหมือนเรานั้นแหละซึ่งวิธีจเจริญเมตตาก็จะได้กล่าวข้างหน้าทวิหิงสาวิตกเนี่ยนะครับก็จเจริญกรุณาให้เขาเขาก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วนะครับกิเลสก็กลุ่มรุมเขาอยู่แล้วจะไปตาจะไปว่าเขาทําอะไรเขาทําอยู่ทุกวันก็บาปเพียงพอแล้วจะไปแช่งชักหักกระดูกให้เขาบาปหนักขึ้นไปอีกเลือนะอย่นั้นนะยังก็ว่าคิดอย่างนี้แล้วตัวจะไม่บาปอย่างนั้นแหละก็สอนตัวเองไป ในคำทั้งหลายมีอธิว่าเอวังภูตโตมีเนื้อความถังมเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีอาสยะคือกิเลสเนี่ยหมดจดดีเพราะกามวิตกเป็นต้นไม่จอดอยู่ในหัวใจนะครับไม่มาเบรกไม่มาพักอยู่ในหัวใจเลยนะจะเรียกว่าอาสยะดีใช่ไหมครับนิวรณ์ไม่กลุ้มรุมเนี่ยเรียกคนอาสยะดี และชื่อว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพราะอาศัยสมบัตินั้นด้วยเพราะประโยค่าสมบัติที่มีอาศัยสมบัตินั้นเป็นนิมิตด้วยถ้าชำระจิตไม่ให้นิวรณ์กลุ่มรุมแล้วนะครับกายวาจาก็ดีขึ้นแล้วก็เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายนะเมื่อตามองเห็นใจก็ไม่เป็นบาปรู้ประมาณในโภชนะเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่ เราตะทาคตกล่าวว่าชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียนที่ยังกิเลสให้เราร้อนนะครับอันนี้เรียกว่าของจริงของแท้แน่นอนนี่นะครับนั่นเรียกว่าองค์ของความเป็นสมณะทั้งหลายเขาประพฤติปฏิบัติแบบนี้นะทำกิเลสให้เราร้อนเพราะประกอบด้วยความเพียรมีลักษณะเผาล้นกิเลสทั้งหลายนะครับเผาล้นเลยนะด้วยอํานาจตทางฆ่าประหารเป็นต้นนะครับตะทางฆ่าประหารแล้วก็ละยังไงครับตั้งแต่ การพิจารณาถึงโทษของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดนะครับถ้าละเอียดลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกก็ด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะวิปัสสนานะครับพิจารณาถึงไอ้วิตกเหล่านั้นนั้นเป็นต้นโดยความเป็นขันธาอรยตนะสัจจะอินทร์ปติจสะสมบาทนะครับคร่ครวญให้หมดเลยนะครับ